เรารู้จักกันแต่เรื่องรู ป, ปราธาตุที่เป็นวัตถุแต่าธาตุอีกประเภทหนึ่งที่เป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุเราแทบจะไม่เข้าใจกันซะเลยเราจึงเข้าใจยากในเรื่องของการปรุงทางนามธรรมในที่นี้บอกได้แต่เพียงตามหลักพุทธศาสนาว่าเป็นการปรุงของาธาตุหลายาธาตุรวมทั้งวัตถุาธาตุและนามธาตุสิ่งที่เรียกว่าความคิดหรือสังขาร จึงเกิดขึ้นในใจของตัวเราเองและทำให้เข้าใจไปว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้คิดเชื่อไปในทำนองว่าเป็นเจตพูดเป็นวิญญาณเป็นตัวเจ้าของร่างหรืออะไรทำนองนี้พุทธศาสนาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงเมื่อได้แยกออกเป็นส่วนส่วนไม่มีอะไรเหลือแล้วก็พิสูจน์แต่ละส่วนส่วนว่าไม่มีส่วนไหนเป็นตัวเป็นตน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 การนึกคิดตามเหตุผลที่พอจะทำให้เชื่อว่าไม่ใช่ตัวตนได้แต่มันก็เป็นเพียงความเชื่อไม่เป็นการรู้แจ้งชนิดที่จะตัดความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้อย่างเด็ดขาดเหตุนี้เองจึงต้องศึกษาพิจารณากันตามหลักแห่งสิกขาสาประการจึงจะถึงขนาดที่ถอนความยึดถือเรื่องนี้ได้ หน้าที่อันจะพึงปฏิบัติในเรื่องเบญจขันธ์นี้คือต้องทำให้ความรู้แจ้งเกิดขึ้นเพื่อขจัดความโง่ซะและก็จะเห็นเองว่าไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเป็นตนอันน้ายึดถือเมื่อนั้นการยึดถือก็แตกสลายลงแม้ยึดมาแต่กำเนิดก็ตามมันต้องหมดไปด้วยฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องเบญจขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหลง ว่าเป็นตัวเป็นตนนี้ให้ละเอียดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้มากกว่าเรื่องทั้งหลายมีใจความสรุปสั้นๆว่าเบญจขันธ์เป็นอนัตตาและถือว่าเป็นคาสอนที่เป็นตัวพระพุทธศาสนาแท้เป็นใจความสําคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งจะมองกันในแง่ปรชัชญาหรือวิทยาศาสตร์หรือในฐานะเป็นศาสนาก็ตาม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 เขาสอนเราไปในทางที่เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นตัวตนไปทั้งนั้นอำนาจสัญชาตญาณดั้งเดิมเกี่ยวกับการยึดถือว่าเป็นตัวตนหรืออัตวาทุปาทานซึ่งมีติดมาตั้งแต่แรกเกิดก็พอกผูหนหาแน่นยิ่งขึ้นทุกวันในการพูดจา ก, ก็ใช้คำว่าฉันท่านผู้นั้นผู้นี้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 แล้วก็ประกอบการงานไปตามความเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัวจนได้ประโยชน์มาบำรุงความใคร่ของตัวและพวกของตัวแต่ถ้าหากว่าเราเกิดความฉลาดจนมองเห็นว่านี้เป็นของหลอกๆเราก็จะหมดความยึดถือว่านั่นเป็นนายกนายขอเป็นขุนหลวงพระพระยาเป็นสัตว์หรือมนุษย์โดยเห็นว่าเป็นเพียงเรื่องที่คนเขาสมมติขึ้นพูดกันในทางสังคมเท่านั้น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 จะแยกให้ละเอียดออกไปอีกก็มีทางทำได้เช่นรูปร่างกายนี้แยกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหรือไม่แยกอย่างทางวัดวัดเขาแยกกันจะแยกอย่างวิทยาศาสตร์เป็นคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนเป็นต้นก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเห็นลึกเข้าไปอีกคือมันหลอกลวงเราได้น้อยเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกลายเป็นเห็นว่าคนไม่มี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 ซึ่งภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าสุญญาตาท่านผู้ใดเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของว่างได้ดังนี้ความยึดถือหรืออุปาทานย่อมไม่มีทางที่จะเกิดได้ที่เกิดแล้วก็ไม่มีทางที่จะเหลืออยู่ได้มันจะสูญหายละลายไปหมดจนปราศจากความยึดติดโดยสิ้นเชิงมันจึงไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีาธาตุไม่มีขัน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 ซึ่งล้วนแต่ทำให้เกิดทุกข์ไม่อย่างเปิดเผยก็อย่างเร้นลับทุกคนจะต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่เรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาถอนความหลงติดในเบญจขันธ์เสียให้สิ้นเชิงจึงจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของขันธ์ทั้งห้าและก็จะไม่มีความทุกข์โลกจะอยู่ในลักษณะที่อำนวยความพาสุกใจให้แก่ผู้นั้น ไม่ต้องร้อนใจเพราะสิ่งใดๆเป็นผู้มีจิตใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงตลอดชีวิตนี้เป็นผลของการรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องเบญจขันตามคำสอนของพระพุทธเจ้า